การทำทานรักษาศีลแบบอุกฤษคนเราฟุ้งได้รูปแบบต่างๆกันแต่ต้นเขาเหมือนกันคือโลภาโทสะโมหะถ้าจิตลงไปในกระแสกิเลสทั้งสมแล้วย่อมกลายเป็นการสั่งสมแปลงดันอันได้แก่ความอยากทั้งหลายเมื่อจิตมีแรงด้นมากก็ปรากฏเป็นความฟุ้งไปต่างๆนานาบางทีไม่มีเรื่องให้คิดก็คิด บางทีได้สิ่งที่อยากครบแล้วเหมือนกันอยากเอาอีกไม่รู้เหมือนกันว่าอยากเอาอะไรนั่นแปลว่าถูกความโลภความหลงครอบงำอย่างหนักตกอยู่ในภาวะมีกินก็เหมือนสิ้นไร้และคนยุคเราก็เป็นโรคจิตอ่อนๆช น, นิดนี้กันมากเนื่องจากถูกรุกเ้าถูกสื่อโฆษณากระตุ้นให้เกิดความอยากสรพัดด้านตลอดเวลา บางคนไปถึงสุดยอดของความสำเร็จทางโลกแล้วแต่ว่าจิตใจยังเร่าร้อนกระสับกระส่ายเหมือนยังไม่ถึงสิ่งที่ต้องการตรงนั้นก็เป็นแรงเฉื่อยชนิดหนึ่งที่เกิดจากพลังโลกอีกทารหนึ่งคือความฟุ้งที่เกิดจากการละเมิดศีลเป็นอาจินจะเกิดปฏิรูปตัวมาเป็นโมหะเป็นความสุขปรกเป็นการเป็นเกราะบทบางทัศนวิสัย ไม่ให้มองเห็นสภาวะธรรมได้เลยผู้ที่ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเป็นนิดอาจจะทดลองง่ายๆเมื่อคิดพูดหรือลงมือกระทํากระทําอันเป็นการละเมิดศีลข้อนั้นๆแล้วดูภาวะปรุงแต่งฟุ้งซ่านตกค้างในใจจะไม่สามารถเห็นภาวะนั้นดับไปแต่ก็ยังคงค้างติง่งแกะจากจิตไม่ออกเลยความสุขปรกชนิดนั้น จะชัดล้างออกได้ด้วยเจ็ดจำนแนวแน่ที่จะรักษาศีลกับระยะเวลารักษาศีลจริงจางนานพอที่จะชั่งน้ำหนักกันได้ระหว่างของเก่ากับของใหม่คือของเก่าชินที่จะละเมิดศีลเป็นอัตโนมัติเพียงใดของใหม่ต้องชินที่จะรักษาศีลเป็นอัตโนมัติเพียงนั้นหากรู้ตัวว่าเป็นคนที่หนาแน่นด้วยความโลภความโกรธความหลง ละเม่ดสีเล็กใหญ่เป็นอาจินและเริ่มเห็นตามจริงว่าทำให้จิตใจเป็นทุกข์เป็นร้อนหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้วันๆมีแต่ความสมหวังหรือผิดหวังลมๆแรงๆก็ควรที่จะเริ่มมองชีวิตในมุมใหม่คือมุมของการให้เพื่อความเบาใจมุมของการรักษาเพื่อความใสสะอาดไม่ใช่หวังรางวัลตอบแทนจากภายนอกแต่ให้ทานรักษาศีลเพื่อเอาจิต กันอย่างเดียวสร้างกระแสสบายหายฟุ้งที่เห็นเห็นกันเดียวนั้นทีเดียวความเข้าใจและความตั้งใจจริงเป็นสิ่งสำคัญมากหากเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติได้ผลคือถ้าตราบใดที่ยังขจัดนิวรณ์ออกจากจิตไม่ได้ตราบนั้นก็ไม่มีวันเห็นใจโดยความเป็นสภาวะธรรมและเมื่อไม่สามารถเห็นกายใจโดยสัต่ว่าความเป็นสภาวะธรรมก็ไม่อัสลัดหลุดพ้น จากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาเช่นกันขอให้ระลึกว่าเรากําลังอยู่บทที่ว่าด้วยการกําจัดนิวรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีอุบายให้ทานรักษาศีลมาช่วยกําจัดนิวรณ์<ม>ก็ต้องคํานึงว่าให้รักษาแค่ไหนจึงจะกําจัดนิวรณ์ได้แต่ละคนมีคิดระดับแตกต่างกันขอให้ใช้ใจตัวเองนั่นแหละเป็นมาตรฐานใช้ สรัพยทานอภัยทานและธรรมทานในขอบเขตเพียงใดจึงทำให้ใจเปิดโล่งขึ้นเจตมีความปลอดโปร่งสบายขึ้นก็เอาเท่านั้นยังไม่สบายก็ทำอีกให้เหมือนงานอดิเรกสุดโปรดแรกๆอาจจะฝืนอยู่บ้างแต่ทุกครั้งที่สังเกตเข้ามาในใจแล้วก็จะเห็นว่าได้อะไรอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มเห็นค่าแล้วก็กระตือรือล้น ที่จะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อให้ถึงระดับหนึ่งก็จะเหมือนจิตคอยแต่สลัดสิ่งสกปรกทิ้งเมื่อมีเหตุยวนยั่วให้อยากได้อะไรมาแบบผิดๆิดหรืออยากแก้แค้นเอาคืนหรือว่าอยากทอดทุระไม่ช่วยทำความสว่างให้คนอื่นจะรู้สึกหนักอึ้งรุงรังเหมือนตัวเคยเบาแล้วใครอสัมภรระใหญ่มาให้แบกที่จุดนั้นก็จะได้รู้เองว่าความโลภความตรนี หายไปจากเราและเมื่อความตะหนีพยายามกลับเข้ามาก็เริ่มมีแรงต้านทานเสียแล้วแถมวันไหนไม่มีโอกาสทำทานก็เหมือนชีวิตขาดอะไรไปบางอย่างคือถ้าไม่ให้สตางค์กับคนยากไร้อย่างน้อยขอให้เอาแรงกายแรงสมองไปช่วยหรือถ้าไม่มีโอกาสออกแรงอย่างน้อยอาจให้คนอื่นก้าวขึ้นลิฟต์ก่อนเปิดทางให้รถอื่นไปก่อนขอเพียงให้อะไรบางอย่างเธอ วันนั้นถึงจะมีความสุขด้านเรียกว่าทานบารมีเริ่มเต็มภูมิและหากลงมือทาสมาธิด้วยจิตด้วยทานบารมีเต็มภูมินั้นก็จะเห็นว่าจิตรู้อารมณ์ชัดง่ายเพราะสิ่งร้อยรัดเช่นความตนีไม่มีอยู่กับตัวเราเสีแล้วส่วนการรักษาศีนั้นที่ผ่านมาเคยมีข้อขัดแย้งกับตนเองและผู้อื่นอย่างไรในเรื่องการวิจัยว่าผิดหรือไม่ผิดก็ขอให้งดไว อย่าไปตามล่าหาความจริงให้มากความการรักษาสีนั้นเอาลงมาให้ถึงระดับของจิตคือไม่คิดเลยเป็นดีที่สุดหรือว่าสงสัยมีแต่เอ๊ะเดี๋ยวอันเป็นเลิกไม่ทำเรื่องนั้นทันทีขอแค่เพียงใกล้เคียงกับการฆ่าและการทำร้ายสิ่งมีชีวิตการลักขโมยสมบัติที่มีเจ้าของ การผิดลูกผิดเมียเขาการโกหกทั้งรู้ว่าเป็นเรื่องไม่จริงการเดินสุราเมรยัยของมึนเมายาบ้ายาอีต่างๆก็กำหนดเด็ดขาดได้เลยว่าจะห่างขาดออกมาความไร้มนตรีแวเตียงความคิดนั่นแหละคือการรักษาศีลข้านอุก ก่อนเจตนารักษาศีนแน่ด่างพร้อยแม้ระดับความคิดคือเกิดอะไรยั่วยวนเพียงไหนก็ไม่ออกนอกกรอบของศีนเป็นอันขาดจิตจะมีกระแสหนึ่งเอ่อมาเหมือนน้ำที่ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นกระแสสุกกระแสอบอุ่นให้ความรู้สึกสะอาดปลอดภัยไร้กังวลจิตก็จะเริ่มทำตัวเป็นเครื่องใช้ได้เองว่าในสถานการณ์ใดควรหรือไม่ควรอย่างไร ตรงนั้นเริ่มเป็นการแสดงว่าจิตกับศีลอยู่ด้วยกันจิตเอาหรือไม่เอาอะไรด้วยตัวเองไม่ใช่เพราะคิดชั่งใจก่อนถ้าถึงระดับนี้ก็เห็นชัดว่าเมื่อลงมือทำสมาธิจิตเหมือนมีกำลังสว่างจากส่วนลึกคอยเกื้อนหนุนให้สำเร็จเร็วตั้งมั่นนานนี่คือสิ่งที่เราจะได้อย่างแท้จริงจากการรักษาศีล จิตอันฝึกแล้วมีปกติน้อมไปในทางให้น้อมไปในความปรารถนาความสะอาดนั่นเองอยู่ในสภาวะใยสงบเมื่อมีความใยสงบย่อมฟุ้งยากหรือว่าเมื่อฟุ้งเพียงน้อยก็เหมือนมีกำลังของความเบาและความสะอาดม า, มากลบมากรบมากรืนทุ่นทับให้ดับลงสนิท อย่างง่ายดายก็ขอให้ทุ่มเท ก, กับการให้ทานและการรักษาศีลแบบสุดตัวสักระยะหนึ่งจะเห็นผลชัดด้วยตนเองการทําการรักษาศีลแบบอุกฤษด้วยการอธิษฐานเป็นกระแสชะล้างให้จิตเรกรงกล้าหมดจดมักจะได้ผลครอบจั ก, กรวาลกล่าวคือชําระได้หมดไม่ว่าสาเหตุของความฟุงฟ้งจะมาจากกรรมในปัจจุบันหรือว่าเป็นวิบากลี้ลับ ก, ก็ตาม มาจากอดีตเมื่อถึงจุดของความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ในความสุขความสะอาดดีแล้วลองอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโดยนึกถึงความสุขความสะอาดเราพร้อมกับความจองเวรทั้งปวงที่เราสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ให้ของดีแก่เขาเพื่อเราเอาออกจากเวรระหว่างกันเสีย นองจากนั้นการทำทานรักษาศีลแบบอุกฤษยังให้ผลระยะยาวชัดเจนของเส้นคงวาอุบายชนิดอื่นที่กำลังตามมาทั้งหมดเพราะอุบายข้อนี้จะเหมือนเก่าถูกที่คันอย่างแท้จริงต่างจากอุบายข้ออื่นที่อยู่รอบๆหรือใกล้ๆตำแหน่งความคันเท่านั้นกล่าวได้ว่าถ้าใครไม่ทำทานรักษาศีลแล้วก็จะให้หวังริมลดจิตอันเปิดกว้าง ปลอดปร่งโล่งสบายเป็นอันเป็นว่ายากยิ่งหรือเป็นไปไม่ได้เลยอาศัยสัพปพปายะสัพพายะนั้นหมายถึงวัตถุสิ่งของสถานที่หรือบุคคลอันเป็นที่สบายเหมาะสมกันในอันที่จะเกื้อกูลหรือเอื้ออํานวยต่อการประคับประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในวิเวกรวมทั้งสิ้นมีเจ็ดอย่างได้แก่นหนึ่ง อาวาสหมายถึงที่อยู่อาศัยหากสงบสงัดตั้งอยู่่้ำกลางสิ่งแวดล้อมเงียบเชียบก็จะปรุงแต่งจิตให้น้อมไปหรือเอียงเอียงไปในทางวิเวกแม้อยู่ไม่ได้ถาวรก็อยู่ได้สักช่วงหนึ่งที่น้อมใจปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังการเอากายไปอยู่ในสถานที่สงบและเปล่าประโยชน์หากเราได้ฝังใจอยู่กับสถานที่วุ่นวายการฝึกเศษผักษะอันนมาซึ่งความเงียบสงัด กลางใจจึงจําเป็นลองเข้าไปในสถานที่สงบถ้าเป็นป่าเขาที่มีต้นไม้ครึ้งได้ยิ่งดีไม่จําเป็นจะต้องคาดหมายว่าได้สถานที่สงบสงัดเงียบกริบเอาเพียงชนิดที่เราย่างเข้าไปแล้วเกิดสัมผัสแรกเป็นความเงียบขึ้นในอย่างน้อยชั่ววูบหนึ่งแล้วก็ออยังมีเสียงซัดแทรกอยู่เพียงใดก็ให้ถือว่าสถานที่นั้นๆสงบเงียบแล้ว สังเกตว่าเมื่อเอาใจใส่ความสงบร่มเย็นของสถานที่ค่อยๆทอดตามองความนิ่งของต้นไม้ดูความไหวติงน้อยๆของกิ่งไม้ที่กลับมาเป็นดุษณีเมื่อลมหยุดหรือเงียหูฟังความเงียบถ้าได้ยินเสียงน้ําไหลได้ยินเสียงริดเรรหรือได้ยินเสียงแกลกกรกักใดๆก็ตามให้สดับเสียงนั้นๆด้วยความอ่อนโยนกําหนดฟังให้ชัดสักระยะหนึ่งหากตอนเนื่องนานพอ ก็จะเห็นว่าเป็นความเงียบในอากาศว่างที่เหลือถูกฝังตามไปด้วยขอให้ใจอยู่กับธรรมชาติอันสงัดทีละเล็กทีละน้อยไม่จําเป็นจะต้องบังคับให้ต่อเนื่องทุกกระดิกแต่ยังน้อยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างดวงตาแก้วหูเนื้อหนังเข้ากับธรรมชาติรอบด้านให้เต็มที่เมื่อรู้ตัวว่าเริ่มมือหรือฟุ้งคิดออกนอกขอบเขตธรรมชาติให้ทอดตาดูเงี่ยหูฟัง ใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปพักใหญ่ก็จะเห็นชัดว่าคลื่นภายในหัวกับคลื่นภายนอกกายถูกลับเชื่อมเข้าหากันสนิทพอสำรวจว่าสงบดีแล้วก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิจะเห็นผลดีต่อเนื่องกันหากไม่นำมาเจริญสติในขอบเขยดกายใจแล้วช่วเวลาอันสั้นธรรมชาติของจิตจะลากตัวเองต่าลงไปคลุกอยู่กับความฟุ้งอีก เมื่อฝึกรู้ความเงียบจากสถานที่อันเป็นสัปปายะได้กลับมาสู่โลกภายนอกสามัญก็จะพบว่ามีความเงียบแทรกซึมอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งเพียงแต่เราฟังเสียงต่างๆสักพักแล้วรู้ว่าสำเสียงทั้งหลายดังขึ้นท่ามกลางความเงียบเท่านั้นเมื่อสำเหนียได้ก็สุดแล้วแต่ว่าเราจะกำหนดจิตเฉพาะความเงียบหรือไม่หากใครรู้สึกว่า ฟังอย่างไรก็ไม่สัมผัสถึงความเงียบก็ขอให้ลองสังเกตจิตตนเองว่าสงัดเสียงคิดลงหรือยังถ้าสังเกตได้ก็ให้สังเกตต่อไปอย่างนั้นเท่ากับก้าวล่วงเข้าสู่ขอบเขตของสติรู้จิตแล้วการไปซึมซับมาจากที่พักปฏิบัติเงียบเชียบและเป็นนิตตอการภาวนา ยิ่งให้ตกค้างอยู่ในใจเรามากเท่าไรก็จะยิ่งสงบผาสุกได้ท่ามกลางความวุ่นวายมากขึ้นเท่านั้นธรรมชาติจะเตือนให้เรารู้สึกถึงความสงัดอันกว้างว่างเปล่าเป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าความคิดฟุ้งยุ่งในมนุษย์ช่างไร้สาระแก่นสารปานใดแม้ผู้ทาความเพียนอย่างต่อเนื่องนานมายังสลรสรการปลีกวิเวกเพื่อเก็บพลังสงบใส่ตัวบ้าง ผู้เพิ่รทมความเพียรจึงควรพิจารณาหาโอกาสไปสู่ธรรมชาติเช่นกันข้อ2โคจรหมายถึงที่บินทบาดหรือเส้นทางแหล่งอาหารหากสะดวกก็นับว่าเป็นสั ป, ปะยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าระหว่างทางมีธรรมชาติให้น้มน้าวายสงบรู้สติก็ยิ่งดี เพราะว่าจะกลายเป็นลู่ทางเดินจงกรมโดยปริยายต่างจากลู่จงกรมปกติก็เพียงไร้จุดหนุนกลับหมุนกลับกลายเป็นพาสทายกำลังสติให้รู้เท้ากระทบต่อเนื่องยืดยาวแทนหากเทียบกับคารวะก็อาจนึกถึงเส้นทางไปทำงานซึ่งจะเห็นว่าถ้าเป็นเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ที่แออัดคับคั่งด้วยยุดยาน ต้องรอทั้งรถติดต้องเผชิญหน้าขาดวินัยจราจรนับไม่ถ้วนก็คงเรียกเป็นเส้นทางโคจรที่สัปปะยะไม่ได้อย่างไรก็ตามวิธีแสดงขออภัยนะคะวิธีเดินทางของแต่ละคนจะต่างกันบางคนเป็นผู้โดยสารก็อาจใช้โอกาสที่ต้องเดินทางในลักษณะนั่งนิ่งหรือยืนนิ่งนั่นเอง ทำภาวนาให้ใจสงบบ้างมีนักภาวนาจำนวนไม่น้อยเลยที่ประสบความสำเร็จทางสมาธิเบื้องต้นบนรถประจำทางอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นนักสร้างโอกาสทำทางโคจรอาศพยะให้เป็นทางโคจรสัพยะขึ้นมาด้วยใจข้อ 3, สทัฒนะหมายถึงเรื่องที่พูดคุยที่เสริมการปฏิบัติก็คือหัวข้อและเนื้อหาของการสนทนาอันเหนียว นำให้ายสงบเกิดแรงบันดาลใจอยากทำความเพียรจะอยู่ในสังคมบรรพชิตหรือว่าคารวาสก็ตามทีหากทุกคนมีแต่ความสามัคคี ก, กันเข้าเรื่องของสติแม้แต่คนเมอเก่งก็ถูกชักนำเข้ามาคิดเข้ามาพิจารณาในเรื่องภาวนาได้การพูดคุยกันก็เป็นเรื่องสำคัญยิ่งเมื่อคนในสังคมหนึ่งหนึ่ ง, ห, งหยิบหัวข้อใดมา เซวนากันบ่อยคนในสังคมย่อมตรึกนึกถึงเรื่องนั้นโดยมากบรรยากาศของสังคมก็จะคล้อยไปในทางนั้นต่อให้สถานที่ดูวิเวทสงบสงัดเพียงใดขอเพียงจับประเด็นร้อนมาคุยกันแม้ด้วยเสียงเบาๆก็จะทําให้หัวข้อจะทําให้หัวของคนในสังคมอึ่งอนไปด้วยเสียงฟุ้งที่ไม่ขาดระยะ ข้อสบุคคลหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วช่วยให้จิตผ่องใสสงบมั่นคงหากอยู่ใกล้คนที่มีนิสัยทางความคิดทางคำพูดและก็ทางกิริย า, าท่าทีกระทำการอันไม่เป็นมงคลก็จะโน้มเอียงที่จะทำจิตเราให้แหว่งไปแกว่งมาเหมือนซึมซับเอาส่วนเสียของเขามาไว้ในตัวถ้าเราจำเป็นต้องโต้ตอบกับบุคคลเช่นไรบ่อยๆ ความเป็นบุคคลนั้นๆยอมถูกยัดเยยดเข้ามาเก็บไว้ในเราบ้างไม่มากก็น้อยยกตัวอย่างเช่นหากจะต้องคุยกับคนชอบพูดดังหรือว่าส่งเสียงโวกวากเป็นนิดในที่สุดเราก็จะเผลอพูดดังหรือว่ามีแถมโว้โวกเวกแบบเขาเข้าให้บ้าง การมีโอกาสใกล้ชิดกับผู้สว่สงบจึงเป็นเรื่องที่น่าสแสวงหาขอให้สังเกตว่าแม้เตียงสำเนียอรู้สึกถึงกระแสสงบเยือกเย็นของผู้ที่น่าเลื่อมใสในบางรายใจเราก็สงบได้ราวกับเข้าไปอยู่ในโบสถ์แล้วครื่นตัวเมื่อซึมซับความสงบจากไกลก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะทําตนเองให้เป็นแหล่งความสงบแก่ผู้อื่นต่อๆไปด้วยข้อห้าพูชนะ หมายถึงอาหารซึ่งมีคุณสมบัติและปริมาณเพียงพอที่จะทำให้เกิดกำลังวังชาไม่มีปัญหาอ่อนเปรี้ยวเพียแรงเมื่อถึงเวลาปฏิบัติอาหารรสจัดเป็นปริมาณที่มากพอดีก็ไม่จัดเป็นสัพ ป, ปยะแต่ละคนย่อมรู้ตัวว่าแค่ไหนจึงจะพอดีสำหรับตนและก็พอดีในที่นี้ก็ย่อมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติภาวนาเพื่อมุ่ง ไปในทางความพร้อมปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่นพูดให้ง่ายก็คือถ้ากินแล้วเอียนเอ็นไปทางง่วงเหงาหานอนหรืออึดอัดเกินกว่าที่จะมีใจปฏิบัติแบบนั้นคือกินเกินแต่ถ้ากินแล้วยังหิวโซขาดเรี่แรงหยัดตัวตั้งสมาธิหรือก้าวเดินจงกรมแบบนั้นคือกินพร่องอีกประการหนึ่งต้องยอมรับว่าอาหารบางชนิดจำพวกเครื่องเทศ รวมทั้งที่ออกไปในทางบำรุงกำลังนั้นอาจจะ ก, กระตุ้นให้เกิดความต้องการทางเพศได้มากควรสังเกตจากปฏิกิริยาตอบสนองของตนเองว่ารับประทานอะไรแล้วมักจะเกิดกรามฉันท่าทุกคราวหรือเกือบทุกคราวไป้ากลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะอีกเลี่ยงเสียง 6. อุตุหมายถึงสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิระดับความร้อนความเย็น ที่พอดีแก่การเสริมให้รู้สึกอยากปฏิบัติของแต่ละคนนั้นอาจต่างกันแต่คงไม่ถึงกับผิดแปกมากกล่าวคือส่วนใหญ่คงชอบชนิดที่เย็นหรือกระเดียดไปในทางเย็นจึงจะนับว่าบรรยากาศเอื้ออํานวยให้ปฏิบัตินานปฏิบัติทนปัจจุบันแม้ในการที่จะปฏิบัติในสํานักใหญ่ๆก็มักจะใช้เครื่องทําความเย็นกันซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ทำให้เราสงบกายสงบใจไม่รุ่มร้อนแต่สำหรับนักภาวนาที่มีความสามารถทางจิตหน่อยก็อาจจะปรับอุณหภูมิที่ไม่เป็นสั ป, ปะยะให้เป็นสั ป, ปะยะได้ก็เรียกว่าวิทยาการทางจิตนั้นล้ำหน้านักปฏิบัติอื่นๆ อ, อย่างเช่นผู้ที่ฝึกพิจารณากายโดยความเป็นธาตุก็อาจจะทาความอุ่นให้ตัวเองในหน้าหนาวหรือทาความเย็นให้ตัวเองในหน้าร้อน ผู้ที่ฝึกพิจารณาทุกขเวทนาทางกายก็อาจจะเห็นเวทนาไม่เพีย้ยนกระทั่งกำลังสติกำลังของเวทนาก็ปล่อยมีผลให้ความหนาวหรือร้อนที่เกินกลายเป็นพอดีได้เช่นเดียวกัน ยังไม่ได้ฝึกสติปัฏฐานสี่มาจนเชี่ยวชาญก็ต้องกล่าวว่าหากมีโอกาสบาเพ็ญภาวนาในที่อากาศพอเหมาะคงเอื้อให้ก้าวหน้าได้เร็วกว่าที่ที่อากาศร้อนหรือหนาวเกินอย่างแน่นอนและความเย็นตามธรรมชาติอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าความเย็นที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศข้อ7อิริยบทหมายถึงกริยาท่าทีของเราเอง ถ้าหากไม่สังเกตก็จะไม่ทราบว่ามีส่วนปรุงแต่งจิตให้กระวนกระวายได้มากที่สุดความจริงอิเลียบทเป็นผลสะท้อนเป็นปลายทางแห่งการแสดงออกของจิตแต่เราก็สามารถควบคุมปลายทางนั้นให้ส่งผลย้อนกลับไปหาต้นแหล่งได้เช่นกันปกติคนเราจะนั่งในท่าทีท่ไม่เอื้อต่อสติรู้เมื่อนึกได้ว่ากาลังฟุ้งซ่านให้ลองเปลี่ยน อาการนั่งแบบไม่รู้หัวรู้เท้ามาเป็นนั่งในกิริยาสงบหน้าตรงคอตั้งถ้าตานิ่งแบบไม่เพ่งหลังพิงสบายฝ่ามือแต่ละข้างวางแนบตักข้างขวาฝ่าเท้าวางลงแนบพื้นทุกส่วนผ่อนคลายทั้งหมดก็จะเห็นว่าอาการรู้กายขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ปรับเปลี่ยนจากฟุ้งเป็นสงบได้อย่างน้อยอึดใจหนึ่งเมื่อฟุ้งแล้วจิตก็จะมาเกาะอยู่กับกายอันสงบซึ่งไม่สอดรับกับคลื่นความปั่นป่วนภายในก็เห็นมีความอึดอัดเกิดขึ้นก็ให้ใช้ฐานคือความรู้กายนั้นกำหนดรู้ลงไปว่าอึดอัดเกิดขึ้นที่ไหนการรู้แบบนี้ต้องไม่เพ่งจี้ลงไปเฉพาะจุดนั้น แต่ต้องคงความรู้กายนั่งไว้แล้วค่อยๆรู้ว่ามีแรงดิ้นหรือความกดดันที่บริเวณใดแปลกแยกแตกต่างจากส่วนอื่นๆที่สงบสบายอยู่ขอให้พิจารณาเปรียบเทียบ ด, ดูอย่างท่วนทั่วจะพบว่าบางทีหมดความเกรงตรงนี้ไปโผล่ใหม่ตรงโน้นเดี๋ยวกลางอกบ้างเดี๋ยวหลังบ้างเดี๋ยวคอบ้างรู้ให้ทันและรู้ออกมาจากความรู้กายทั่ว เมื่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยก็จะเห็นความคลายลงเรื่อยๆกระทั่งเบาทั้งตัวจากนั้นก็ต้องพิจารณาต่อเห็นเวทนาที่เปลี่ยนไปจากทุกเป็นสุขและก็ยังมีความคิดสซ่านซึมอยู่เป็นระยะก็ให้รู้ว่ากายที่สงบย่อมทําให้ฟุ้งอ่อนตัวลงเมื่อได้ตัวอย่างที่ดีเช่นนี้แล้วก็จะสามารถนําไปประยุกต์กับอิริยาบถอื่นๆเห็นกิริยาอันสงบทุกชนิดของกาย เป็นตัวตั้งของจิตที่สงบได้เสมอหากขาดตัวตั้งก็ให้ดูความฟุ้งทันทีหรือบังคับให้ใจสงบทันทีทันใดนั้นนับว่ายากกว่ากันมากทั้งหมดนี้มีใจเราเองเป็นตัวแปรด้วยเพราะจะหาสัพเยะให้ครบเจ็ดองในคราวเดียวนั้นคงจะยากผู้มีฌานหรือมีปกติเห็นกายใจเป็นไตรลักษ ก็ย่อมครอบงำความเป็นสัพพยะทั้งหลายไว้ได้หรือเปิดช่องให้ความเป็นสัพพยะขอภัยนะคะให้ความไม่เป็นสัพพยะรบกวนจิตใจน้อยลงแต่ในเบื้องต้นนั้นหากเป็นไปได้ก็น่าสนับสนุนให้สแสวงหาสัพพยะตามมีตามเกิดการปลีกวิเวทเป็นบางครั้งบางคราวก็นักว่าจำเป็นสำหรับพระคงง่ายหน่อย เพราะโดยหน้าที่เหมือนสนับสนุนให้ทําเช่นนั้นอยู่แล้วแต่สําหรับคาลวาสหากออกไปไกลๆ ไ, ไม่ได้เพราะว่าติดภาระหน้าที่การงานหรือว่าครอบครัวก็อาจจะใช้วิธีง่ายที่สุดเอาตัวเอาใจออกมาจากสิ่งรบกวนทั้งหลายเช่นเจตนางดเว้นการบันเทิงงดเว้นการดูหนังฟังเพลงงดเว้นการเปลือกกลัว้วกับคนชวนฟุง้ง งดเว้นการกินเปรี้ยวหวานมันเค็มอริดอร่อยงดเว้นการลูบไล้เครื่องหอมงดเว้นการนอนฟูกนุ่มสบายตลอดจนกระทั่งงดเว้นการร่วมประเวณีสิ่งเหล่านี้ถ้าหายไปได้สักสองสามวันก็จะเห็นได้ชัดว่าจิตว่างจากตัวโกวนให้ขุนไปได้เยอะหยุดตั้งสติระหว่างทำงานหรือพูดคุย คำถามที่อยู่ในใจคารวาสผู้ยังต้องทำงานหาเลี้ยงชีพก็คือใช้ชีวิตทางโลกจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหรือไม่คืออยากปฏิบัติทำมากแต่ก็ไม่อาจจะทิ้งภาระหน้าที่การงานไม่อาจจะทิ้งครอบครัวไปไหนได้การทำงานก็ดีการต้องติดต่อผู้คนมากหน้าหลายตาก็ดีล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความฟุ้งซ่านความจำเป็นต้องคุ้นคิดสารพัด หลายคนจึงมักเพียนพยายามฝึกรู้ตัวระวังทำงานหรือพูดคุยตามปกติแล้วก็ลงเอยด้วยความสับสนฟุ้งซ่านเข้าไปใหญ่เพราะไม่ทราบจะกำหนดตรงไหนอย่างไรจรึงเป็นว่าเข้าขายมีสติรู้ถูกต้องตรงทางสติปัฏฐานสี่ขอให้มองให้เห็นตามจริงอย่างนี้ว่า การปล่อยสติเพลิดเพลินไปกับการงานหรือการพูดคุยทั้งวันนั้นนับเป็นการก่อพายุความฟุ้งขึ้นแน่นอนการปล่อยสติให้จมอยู่กับงานหรือการพูดคุยย่อมถือว่าเป็นวิธีที่ผิดแต่ขณะเดียวกันถ้าเพียงกำหนดสติแบบสติปัฏฐานสขณะทำงานหรือพูดคุยก็อาจจะยิ่งทำให้เครียดและไม่ได้ผลลัพธ์ทางอย่างทางดีอย่างใดเลยโลกก็ซ้ำ ทำก็เสียฉะนั้นการพยายามกำหนดอย่างเคร่งครัดให้เห็นกายใจเป็นไตรลักษ์ระหว่างทำงานกับการพูดคุยก็ยังนับว่าเป็นวิธีที่ผิดอยู่ดีทางที่อยู่ตรงกลางก็คือเอาหลักที่เคยศึกษากันในสัมปชัญญะบับของกายานุปัสนามาใช้คือส่วนที่พระพุทธองค์ให้รู้ว่ากำลังพูดและรู้ว่าหยุดพูดแล้ว ซึ่งหมายถึงเวลาพูดก็พูดเต็มที่เหมือนปกติเพียงแต่ตระหนักว่าเท่านั้นว่าขณะนี้เรากำลังพูดเหมารู้ไปรวมๆในองค์ประกอบการพูดทั้งหมดเช่นความคิดปากสายตาหรือกระทั่งมือไม้อย่าไปจ่อที่จุดใดจุดหนึ่งอย่าไปตั้งความหมายว่าจะเกิดความสงบนิ่ง เพียงตั้งเป้าไว้ว่าจะพูดอย่างดีพูดปกติพูดให้ชัดเจนแล้วก็สามารถสื่อให้คนฟังเข้าใจเนื้อความในใจเราได้ถูกต้อง